เมื่อคืนอาตมาไม่ทันที่จะกลับมามีปัญหาเกี่ยวข้องกับฟันมีอาการเสียวเป็นมานานแล้วรักษาที่อ่างทองก็ไม่หายก็อยู่มาหามมว่วาอาตมาก็บอกอัตมาอยากจะไปทำการรักษาทำการรักษาฟันหน่อย ยุ่งบอกว่าไกลแต่ลุดติดก็ไกลามากไปเหมือนไกลก็มาถึงสี่ทุ่งครึ่งกลับมาเพราะฉะนั้นตอนเช้าวันนี้กลเป็นการแสดงทำเดี๋ยวจะไม่สิทธ์กลางคืนคืนนี้จะต่อจะแสดงต่อ ตอนใบก็จะมีการสอบอารมณ์ลวมๆวันนี้จะแสะดงธรรมเรื่องเกี่ยวข้องกับสมถะญาณิกและวิปัสสนาญาณิกมีผู้ปฏิบัติที่สามารถเปิดประตูพระนิพพานบุคคลที่เป็นสมถะญาณิกก็สามารถเปิด ปะตูพระนิพพานได้บุคคลที่ปฏิบัติแบบวิปัสสนาญาณิกก็สามารถเปิดประตูพระนิพพานได้เหมือนกันแต่เราต้องเข้าใจอย่างชัดจรินว่าสมถะญาณิกต้องปฏิบัติแบบไหนตามคําสั่ ง, สงของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะปฏิบัติแบบวิปัสสนาญาณิก เราต้องปฏิบัติแบบไหนตามคำสั่ ง, สงของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตามครูบาอาจารย์เข้าใจไหม <c oughs> เราได้ปฏิบัติมาตามครูบาอาจารย์อย่างมากแล้วแต่ชาวูดทั้งหลายไม่ค่อยรู้ทางปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนาญาณิกเล สมถะยานิกตามคำสั่งสองของพระพุทธเจ้าหลปีที่ผ่านมาอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันโชคดีเดี๋ยวนี้ได้ทราบแล้วก็มาที่ใบวันนี้จะปฏิบัติอย่างไรน้อยที่สุดเพื่อจะบรเพินบารมีเราต้องอยู่บนทางที่ถูกต้องถ้าดีที่สุดสามารถบรรลุมาก่ย่านเลพโลนายานเราต้อง อยู่บนทางที่ถูกต้องเหมือนกันมาอย่างนั้นแม้แตมีบารมีถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันที่จะบรรลุพระนิพพานไม่มีวันที่จะบรรลุมรรคยานเล็กลา ย, ยานเพราะฉะนั้นก่อนที่จะอธิบายสมถะยา น, นิก ปฏิบัติอย่างไรวิปัสสนาญาณิกปฏิบัติอย่างไรขอถามหน่อยทําได้ไหมต อ, อบไหมตอบ <laughs> พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคือสมถะญาณิกหรือวิปาาัสสนาญาณิกสมถะญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิก สมถะญานิกวิปัสสนายาณิกมีมีคำตอบทั้งสองอย่างใช่ไหมบางคนก็บอกว่าสมถะญานิกบางคนก็คิดว่าวิปัสสนายาณิกอันไหนถูกอันไหนผิดถูกสองอ๋อ <laughs> กลางๆไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถาขอถามอีกในวันที่พร ะ, ะพระ บ, บริสัตว์ตรัสรู้เป็นพระสะมัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้นได้ปฏิบัติได้พุนถต้นโูใช่ไหม ได้ต้นโพพระบธิสัตว์ได้ทรงปฏิบัติอะไรบ้างได้ปฏิบัติอนนาบานาสติแล้วก็สามารถเข้าทีงชัญที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สีแล้วปฏิบัติอะไรต่อปฏิบัติกัดฉินสิบ แล้วก็สมาบัตเปภายใต้ต้นโพแล้วก็ปริบัต ด, ดออภิญญาณใ น, นปฐมายาณได้บานลูกปุบบนิวาสะอบิญญาณจำได้ไหมใช่รึเปล่าใช่ โดยวยาณนี an, ้ด้วยอภิญญาณปุเปนิวาสะอภิญญาณสามารถพิจารณาอดีตชาติที่จำนวนนับไม่ถ้วนอย่างมากมายสามารถรับรู้อย่างละเอียดคือเกิดที่ไหน อยู่แบบไหนความสุขความทุกข์ทั้งหมดก็ได้รับรู้เมตตาช่ายของตัวเองก็ได้รับรู้มีความนับถือาศาสนาอะไรก็รับรู้เสียชีวิตในอายุเท่าไหร่อันนี้ก็รับรู้เหมือนกันสามารถพิจารณาได้อย่างละเอียดด้วย ปุเบนิวาสะอเบญยนโดยอย่างนี้พระบริสัตว์ได้รู้และเห็นรูปนามปร r มา a t เหมือนกันสาธุชนทั้งหลายอาจเคยได้ยิยนว่าพระบริสัตว์ได้บางลึกปุเ บ, บ, บนิวาสะอเบญญานในปฐมายาน แต่ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่แค่รู้และเห็นอดีตชาติรู้และเห็นรูปนามปรมาร ร, รู้และในกัรรู้และเห็นรูปนามปรมารอนนี้ถ้าเราพูดถึงวิปัสสนาญานยัน ยันนี้ยันอะไรนามรูปปริจรยันใช่ไหมนามรูปปริจรยันคืออะไรนามรูปปริจรยันคำออกเสียงของอาตมา ให้เข้าใจรีบเราสามารถทําให้เข้าใจได้รีบเราเข้าใจนะนามรูปปริจิระยานคือยานที่รู้และเห็นนามรูปรูปและนามปรามาอันนี้พระโบดีสัตได้รู้และเห็นในปฐมายานด้วยปุบเบนิวาสอวิญญาณแล้วในในมัจจิมายม ได้บันลุดิบัจคุอภิญญาณเดวายอินส์ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ด้วยดิบัจคุอภิญญาณพระบริสัทธ์ได้รู้และเห็นกรรมและผลของกรรมถ้าพูดถึงวิปัสสนายานอันนี้ ปัจจจกประหะยัานการรู้และเห็นเหตุและผลกามและผลของกามอันนี้ปัจจยะปรกหัยงานถ้าย่งันเราถ้าเราพูดถึงริยาสัจสี ในการรู้และเห็นรูปและ น, น, นามปรมาทตย์คือในการรู้ดุขศาสตร์เข้าใจมั้ยดุขศาสตร์คืออะไรดุขศาสตร์สังขีตินาปัญจุบาราเนิขันดาดุขา อุบาดาเนคันคันฮาคือทุกขสัตวอนิปรกุณายธรรมจักกบวตนะสุสังเตนาปัญจุปาราเนคันดาดุขะโดยย่อปัญจุปาราเนคันดาอุาาเนคันาคือ ดุขสะสัตในขันห้ามีรูปแบบขันหนึ่งขันน้ำแบบขันสีขันถ้ า, างั้นรวมๆรูปขามรูปเล็ดนำ้ำไม่ใช่หรือใช่มั้ยขันห้าคือน้ำเล็ดลูกเพราะฉะนั้นพระ บ, บุตรสัตว์ ได้รู้และเห็นรูปเล็นนำประมาทในปฐมญาณอันนี้หมายความว่าได้รู้และเห็นดุขสัจแล้วก็สมุทัยสัจคือในการรับรู้กรรมและผลของกรรมในการรู้และเห็นเหตุและผลคือสมุทัยสัจถ้าอางั้นใน 마ิ막ยามพระบดีสัตว์ได้รู้และเห็นสมุดยศาสตว์แล้วปัจจิมายามปัจจิมายามปัจจิมยามจะเลอนยังไงดีเนี่ยยามสุดท้าย ยามกลางก็เป็นม่จิมายามเดี๋ยวนี้ปจิมายามยามสุไทยนย hmm? ยายนายามสุไทยพระบดิสัทธ์เริ่มปฏิบัติวิปัสสนาอันนี้เป็นยาวทางปฏิบัติของพระบดิสัทธถ้าอย่างนั้นเราต้องเข้าใจว่าพระบดิสัทธ์คือสมถะญาณิก ไม่ใช่วิปัสนาญาณิสมถะญาณิคือบุคคลที่เจริญสมาธิที่เป็นอปปนาชันสมาธิก่อนที่จะปฏิบัติวิปัสนาอย่างที้พระโบุรุษัตวได้ปฏิบัติอนนาบานะเข้าถึงฌานที่สีแล้วก็ได้ปฏิบัติดอกเกษีสิบ ส, สมาบาัติแปดเป็นพื้นฐาน แล้วก็ปฏิบัติดอวิบอเบญญาณเพราะฉะนั้นสมาดมปปามาขขิของพระโบุดด hisat ไม่ใช่แค่อัปนาชาตสมาดิกําลังของกําลังสมาดิของพระโบุดด hisat ลึกสิ้งมากสมาดิที่เกิดขึ้นในเวลาที่บังลึกอเบญญาณนั้นลึกสิ้งอย่างจรงิงจังด้วยสมาดินี้ พระบดีสัตยได้ปฏิบัติวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าพระโบดีสัตยหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสมถะญาณิคเข้าใจชัดเจนแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยากจะเป็นสมถะญาณิคเราต้องปฏิบัติอย่างไร ที่อาตมาได้อธิบายมวาดตอนเช้าในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสองส ม, สมะสมัทสมารดิศิขามีกรรมฐานทั้งหลายสีสิบในสีสิบสามสิบเข้าถึงัานได้ที่เหลือสิบเข้าถึงอุปชาระสมารดิได้ บุคคลที่อยากจะเป็นสมถะยานิกต้องปฏิบัตกิกรรมฐานที่สามารถเข้าถึงฌานได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นอันใดอันหนึ่งในสาสบถ้าสามารถเข้าถึงฌานได้แล้วต้องปฏิบัติดวิปัสสนา บุดคลแบบนี้ขอเรียกว่าสมถทายานิกถ้าอย่างนั้นขอถามหน่อยในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิปัสสนาสอนกรรมฐานชนิดกี่อย่างกี่อย่าง สมมติวิปสัสปสนา12 2 <laughs> 12 <laughs> 2 <laughs> มีคำตอบอีกไหมเดี๋ยวนี้ มีคำถามมีคำตอบสองละส2องแล้วมีอีกไหมโยงผู้ผชายช่วยด้วย ไม่มีคำตอบแล้วกลัวจะผิดคำตอบถูกอยู่แล้วแค่สองม่ใช่สิบสองอยุงสิบสองหมายถึงว่าอะไรทัดสีออทัดสีถ้าถ้าอธิบายอย่างละเอียดก็สิบสองใช่ไหม ในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิปัสสนาปัญญาศิษยาสอนแค่สกรรมฐานสองชนิดรูปกรรมฐานและนามกรรมฐานทิวตามาเจสวด พระ บ, บาลีให้โยมทั้งหลายฟังดูวิดานีกรรมฐานั้นรูปกรรมฐานนั้นจะอรูปกรรมฐานนั้นในเวลาพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิปัสสนาสอนรูปกรรมฐานนั้นจะอันนี้คือรูปกรรมฐาน อรูปกรรมฐานนั่นจะอันนี้คือนามกรรมฐานตัทธาบ่าวรูปกรรมฐานนั้นก็เหนดอสังเขปมนสษการวสีน่าววิจาระมนสษการวสีน่าวจตุดาตุววุานั้นก็ทีสีในเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนรูปกรรมฐานสอน ธาตกรรมฐานโดยอ้อมอโดยย่อและโดยละเอียดเข้าใจมั้ยไม่เข้าใจภาษาถ้าอย่างนั้นเจในเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิปัสสนาสอน รูปกรรมฐานและนามกรรมฐานเข้าใจใช่ไหมในเวลาพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนรูปกรรมฐานสอนธาตุกรรมฐานโดยย่อดดยและโดยละเอียดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วถ้ า, างั้นถ้าเราอยากจะบิอยากจะปฏิบัติวิปัสสนาเราต้องปฏิบัตริรูปกรรมฐาน และนนามกรรมฐานไม่มีมากกว่านี้ถ้าเราอยากจะปฏิบัติรูปกรรมฐานเราต้องปฏิบัติอะไรจำไม่ได้แล้ว ทัดสีใช่ไหมทัดกรรมฐานถ้าเราอยากจะปฏิบัติรูปกรรมฐานเราต้องปฏิบัติทัดกรรมฐานทัทสีทัดจตุดาตุววุฒนคือทัดกรรมฐานทัดกรรมฐานมีอยู่ใน สิชนิดที่สามารถเข้าถึงอุป च าระสมาดีได้จําได้ไหมสิบที่เหลือ30สเข้าถึงชันได้ที่เหลือสิบเข้าถึงอุป च าระสมาดีได้จตุดาดุวะวุฒันทาตกรรมทันมีอยู่ในสิที่สามารถเข้าถึงอุป च าระสมาดีได้ ธาตุกรรมฐานอยู่สองฝ่ายในส ม, มถะก็มีเหมือนกันแต่ในเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิปัสสนาก็สอนธาตุกรรมฐานอีกเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นส ม, มถะญ า, างนี้ได้เจริญอนนาบานาถึงชั้นที่สีแล้ว ปฏิบัติทาากรรมฐานแล้วก็โดปฏิบัติโดนามกรรมฐา น, นถ้าปฏิบัติแบบนี้ก็จะเป็นสมถะญานิกถ้าถ้าถ้าจะเป็นวิปัสสนาญาิกไม่ต้องเจริ อัปนาชานสมาดิต้องปฏิบัติรูปกรรมฐานโดยตรโดยไม่มีสมาดิเป็นพื้นฐานต้องปฏิบัติท่าทกรรมฐานโดยตรแล้วต้องปฏิบัติต่อนามกรรมฐานอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติของ วิปัสสนาญาณิกเข้าใจไหมเข้าใจถ้าอย่างนั้นวิปัสสนาญาณิกและสมถะญาณิกอะไรที่เหมือนและอะไรที่ไม่เหมือนที่ อะไรที่แตกต่างและอะไรที่เหมือนที่แตกต่างก็คือมีอัปปนาชฌามารดิและไม่มีอปปนาชฌามารดิที่เหมือนในเวลาปฏิบัติวิปัสสนาทั้งสมถะญานิกและวิปัสสนาญานิกต้องปฏิบัติรูปเล็ดนำกรรมฐานใช่หมถ้าอยางนั้นในเวลาปฏิบัติวิปัสสนา เหมือนกันหุดต้องปฏิบัติท่ากรรมฐานเป็นรูปกรรมฐานแล้วก็นำกรรมฐานต่อไปเข้าใจไหมยังงงงงไหมไม่งงแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้น อาตมาจะอธิบายต่อสมมุติว่าโยมทั้งหลายสาธุชงทั้งหลายอยากจะปฏิบัติแบบวิปัสนาญาณิถ้าอย่างนั้นโยมทั้งหลายจะต้องปฏิบัติอะไร ไม่มีคําตอบหมายควาว่าไม่เข้าใจต้องปฏิบัติอะไรอยู่ถ้าอยากจะปฏิบัติแบบวิปัสสนาญาณิกต้องปฏิบัติรูปกรรมฐานนามกรรมฐานเพราะฉะนั้นแต่วิปัสสนาญาณิกไม่สามารถเลื่อนปฏิบัตินามกรรมฐานต้องปฏิบัติรูปกรรมฐานก่อน แต่สมถะญาณิกสามารถปฏิบัตินามกรรมฐานเป็นเบื้อต้นก็ได้หลังเจริญอัปนาฌานสมาธิแล้วก็ขเข้าใจในการพิจารณาองค์ฌานเพราะฉะนั้นสามารถปฏิบัตินามกรรมฐานได้โดยตรงก่อนที่จะปฏิบัติรูปกรรมฐานเพราะว่าเขามีความสามารถที่จะพิจารณานามอยู่แล้วแต่วิปัสสนาญาณิก ไม่สามารถเร่มปฏิบัตินามกรรมฐานโดยโตรต้องปฏิบัตริรูปกรรมฐานก่อนที่จะปฏิบัตินามกรรมฐานแต่ยังไงตามประสบการณ์และตามคําสั่งสังกป้าพุทธเจ้าอัตมาสอนทั้งสมถะญานิกวิปัสสนาญานิกอัตมาสอนวิปสัสอาตมาสอน รูปกรรมฐานก่อนนามเข้าใจไหมทรรไมทําไมไม่อยากท้ามลิธรรมไมปัญจัวการบูมิปัญจัวการะพู่มปัญจัวการะพุมเข้าใจไหมนัยนพุมที่มีขันหา เดี๋ยวนี้สาธทุชนทั้งหลายอยู่ในภูมิไหนในภูมิที่อยู่มีขันธ์ห้าใช่ไหมโยมมีขันกี่ขันห้าถ้าอย่างนั้นโยมอยู่ในปัญจวการภูมิเียวยวยเอ repeat after me ปัญจวการภูมิ ใช่งั้นอาตมะไม่ต้องอธิบายด้วยภาษาไทยแล้วเข้าใจกันรบีดอาตมี so can I explain in English อาจจะเป็นสลับกันบางครั้ง now เราในอยู่ในภูมิที่มีขันห้า เดวตาเดวตาเดวตาเข้าใจหมมีขันกี่ขันห้าขันเหมือนกันเขาก็อยู่ในภูมิที่มีขันห้ามามีกี่ขันขันห้าสัตว์ทั้งหลายก็มีขันห้าเหมือนกันตรีชันตัน ดีร์ชันนดีราชัน <laughs> ดีราันก็มีขันห้าสัตนใยอบายอบายภูมนัยอบบายภูมก็มีขันห้าเราก็พรม ร, รู ป, ป ร, ร, รูป้าโพรมรูป้าโพรมก็มีขันห้าอารูป้าโพรมมีสีขันไม่มีรูประขัน มีแค่นามแข้นถ้าอย่างนั้นอรูปภูมหมายความว่าอยู่ในภูมิที่มีสีขันจตุวการภูมิเขาเรียกว่าเราอยู่ในภูมิไหนปัญจวการภูมิในภูมิที่มีขันท่า นามเกิดโดยอาศัยรูปเพราะฉะนั้นนายวิสุทธิมักมะ ม, ม, มีคำมธิบายนภูพที่อยู่ในผู้ที่อยู่ในภูพิที่มีขันห้าต้องปฏิบัติรูปกรรมฐานก่อนที่จะปฏิบัตนินามทำไมนามอาศัยโดยรูป เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ยังไม่ได้พิจารณารูปประมัตนอย่างละเอียดไม่ไงที่จะปฏิบัตินำกรรมฐานเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติรูปกรรมฐานก่อนนมกรรมฐานเพราะฉะนั้นสมถะญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกในเวลาที่อามารสอนวิปัสสนาก็สอนรูปกรรมฐานเป็นกรรมฐานอันแรก ถ้าทำนานในการพิจารณารูปประม์แล้วก็ต้องปฏิบัติต่อนามกรรมฐานเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นก็ดีถ้าเราเป็นวิปัสสนาญาณิกมีทางเดียวคือการปฏิบัติทาากรรมฐานที่เป็นรูปกรรมฐาน อยากจะฟังแนวทางปฏิบัติธาตุกรรมฐานไห ม, ไมอยากถ้าอย่างนั้นจะอธิบายให้ฟังเมื่อว่าอตาตมาได้อธิบายธาตุสีถ้าอธิบายอย่างละเอียดมีลักษณะกี่ลักษณะสิบสองจำได้ไหม ธาตุดินมีหกอะไรบ้างลักษณะแข็งหยาบห น, นักนุ่มเรียบเบาหกลักษณะแล้วก็ธาตุน้ำมีสองอะไรบ้างลักษณะหลายลักษณะเกาะกุง้ง ทัดธาตุไฟมีกี่ลักษณะร้อนและเย็นธาตุโลง 2. สองลักษณะผลาดและลักษณะข้ามจุนทั้งหมดสิบสองถ้าเราปฏิบัติธาตุกรรมฐานต้องพิจารณาลักษณะสิบสองลักษณะ ตาลำดัเดในเวลาที่เราสอนธาตุกรรมฐานเกฑสมถะญาณิกและวิปัสสนาญาณิกในเวลาปฏิบัติวิปัสสนาให้เริ่มพิจารณาธาตุที่ง่ายที่สุดลักษณะที่ง่ายที่สุดก่อนเมื่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนระดับ ทัดดินทัดน้ำทัดไฟทัดลมอันนี้เป็นตามลำดับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เดออันแรกในช่วงเรกผู้ปฏิบัติไม่สามารถทำในระดับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็เลยต้องปรับถ้าทำนั้นดีก็ให้ปฏิบัติตามลำดับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ลักษณะอันแรกที่ควรเริ่มพิจารณาคือลักษณะผลักลักษณะผลักในเวลาหายใจเข้าหน้าอกเป็นอะไรพองพองขึ้นมาสูงขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คืออันนี้เพราะว่าลักษณะผลักเพราะว่าพลาักในเวลาหายใจ ออยุบยุบอันนี้ก็เพราะว่าลักษณะพลักอันนี้ก็พลักอันนี้ก็พลักลักลัมเอ๋ต้องพิจารณาลักษณะพลักที่นี่ที่หน้าอกจนถึงชัดจจน ทุกเวลาร่างกายของเรามือของเราเท้าของเราเป็นแบบนี้ตลอดอันนี้เพราะวะ่าธาตโลหอันนี้เพราะว่าลักษณะผลักเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาลักษณะผลักที่นี่จนถึงชาติจินถ้าสามารถพิจารณาได้ชาติจินแล้วต้องพิจารณา ส่วนใกล้ชิดต้องพิจารณาลักษณะผลักส่วนใกล้ชิดแล้วก็ต้องพิจารณาจนถึงชาติจินที่นู่นแล้วก็ต้องพิจารณาที่ท้องพองยุก ค, คืออะไรลักษณะผลักลักษณะอันเดียวอันนี้ทาตโลหอย่าไม่ครบ เมตเดชธาตลงก็มีสองใช่ไหมลักษณะผลักและลักษณะข้ามจุนยังไงผู้ที่เคยปฏิบัติพองยุคมาถ้าปฏิบัติธาตกรรมทานก็ช่วยได้เหมือนกันในการพิจารณาลักษณะผลกักสามารถพิจารณาที่ท้องที่ตัวเองเคยทามาให้เป็นลักษณะผลกัก นั้นไม่ต้องไปพิจารณาว่าพงยุกต้องพิจารณาว่าอันนี้เป็นลักษณะพลาถ้าที่นี่ง่ายสามารถเริ่มพิจารณาที่นี่ได้ถ้าที่นี่ง่ายกว่าก็สามารถเรื่อมที่นี้ได้เหมือนกันจนถึงอันนี้ชาติจินถ้าชาติจินดีแล้วก็ต้องพิจารณาลงไปจนถึงเท้า เทวดาสัตว์สทิว์เทวดาเท้ํททาแล้วซสําอสกจนถึงสามารถพิจารณาในทั้งตัวชาติจินเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นถ้าสามารถพิจารณาลักษณะผลักได้อย่างชาติจินแล้วต้องพิจารณาดดอััษณะแข็งใน ตัวร่างกายมีกล้ามเนื้อก็แข็งเหมือนกันกระดูกก็แข็งเหมือนกันแต่เพื่อจะเข้าใจลังพิจารณาลักษณะผลักแล้วก็ต้องกัดให้แรงๆถ้ากัดแรงๆจะเป็นอะไรจะรู้ลักษณะแข็งในบริเวณนี้ ถ้าเข้าใจก็ควรพิจารณาลักษณะแข็งให้ชัดจินถ้าชัดจินแล้วก็ควรย้ายการพิจารณาส่วนใกล้ชิดแล้วก็ทั้งหัวที่คอแล้วก็ทั้งตัวแล้วก็พิจารณาไล่ลงไปจนถึงเท้าเท้าเศีระศีรษะถึนเท้าถ้าสามารถพิจารณาลักษณะแข็งได้อย่างชัดเจน ต้องพิจารณาลักษณะปลาสีสาเท่าเท่าเทียนสีสาอีกแล้วพิจารณาดอลักษณะแข้งเท่าเทียนสีสาสีสาเท่ถาถ้าสามารถพิจารณาสองลักษณะนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วต้องพิจารณาดอลักษณะย่าถ้าเราทำแบบนี้ดู ก็สา ม, มารถเข้าใจลักษณะหยาบเหมือนกันหรือถ้าสัมผัสไปเตะดูส่วนขั้นข้างล่างของฟันเหงือ่อไม่ใช่เหงื่ส่วนข้างล่างของฟันหรือสัน สันขอบข อ, บอสันขอบฟันถ้าไปสัมพัสดูก็เข้าใจลักษณะหยาบได้เหมือนกันหรือถ้าพิจรารณาลักษณะผลักเล็กแข็งซ้ำแล้วซ้ำอีกช่วยทำให้ลักษณะหยาบชัดขึ้นมาได้เด ตามประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายในเวลาพิจารณาลักษณะยาบไม่ค่อยชาตเท่าถ้าเปรียบเทียบกับลักษณะอื่นๆอันนี้ไม่ค่อยชาตแต่ยังไงต้องพิจารณาเท่าที่ตัวเองสามารถทงได้ศีรษะเถ็นเท่าเทาถ็นศีรษะถ้าชาตจินแล้วก็ควรทาความพิจารณาอีก ลักษณะปลาสีสันถึงเท่าเท่าถึงสีสันลักษณะแข็งสีสันถึงเท่าเท่าถึงสีสันแล้วก็ลักษณะหยาบด้วไปในธรรมนองเดียวกันเราต้องพิจารณาต่อลักษณะนากหลังพิจารณาลักษณะปลาลักษณะแข้งและหยาบแล้วถ้ากุดกุด เขาเร่งๆก็จะเข้าใจลักษณะหนักถ้าเข้าใจก็พิจารณาได้ที่ไหนที่สามารถเข้าใจได้ชัดเจนสามารถเลื่มพิจารณาที่นั่นได้ถ้าสามารถพิจารณาลักษณะหนักได้ ศีรษะเต็มเท่าเท่าเต็มศีรษะอย่างชัดเจนควรทำสีลักษณะที่ได้ทาํามาซ้ําแล้วซ้ําอีกถ้าทานานดีชัดเจนดีแค่แล้วต้องพิจารณาต่อลักษณะคําจุนคําจุนสับปะรดใช่ไหมคําจุนถ้าพิจารณาลักษณะสีลักษณะที่อาตมาได้อธิบาย มาแล้วถ้าสามารถพิจารณาได้ชัดเจนแล้วถ้าเอียงถ้าจะทํำยังไงถ้าทําแบบนี้อ๋อถ้าโน้มดัวแล้วก็ตั้งตรงอีกในเวลาโน้มดัวดัวไม่กระ ด, ดู ไม่ไมไม่ลื่ไปทำให้ตัวไม่ลม้มหมายถึงว่าน้อมไปแล้วแล้วก็ตั้งอยู่ได้ใช่ไหมครับตั้งอยู่ได้ตั้งอยู่ได้เพราะว่ามีมีค้ำอยู่มีมีสภาวะที่สนับสนุนไว้อันนี้คือข้ามจุนลักษณะข้ามจุนแล้วก็ถ้า พยายามตั้งร่างกายให้ตรงอีกก็ช่วยทาให้เข้าใจสภาวะลักษณะข้ามจุนเหมือนกันถ้าเข้าใจแล้วก็ควรพิจารณาลักษณะข้าจุนจุนถิงสามารถพิจารณาได้ชัดเจนทั้งตัวศีรษะถึงเท่าเทึงศีรษะแล้วต้องพิจารณาพลาแข็งหยาบหนัก คำจูงหา้าห้าอย่างแล้วใช่มั้ยแล้วก็ต้องพิจารณาดอลักษณะอะไรนุม่มใช่มั้ยนุมน่ม softness นุ่มทับทับสัมผัส ริมฝีปากใช่ั้ยครับข้างในนะอ๋อผักรพุ้งแก้มทีไหนอินลิปมฝีปากน่าจะใช่ลครับเข้าใจใช่หมจะว่ายังไงดีเนื้อเนื้อริมฝีปากด้านในอ๋อเนื้อฝีปากข้างในถ้า สัมผั ด, ดูเนื้อฝีปากข้างในก็สามารถช่วยเข้าใจลักษณะนุม่มแต่ยังไงหลังพิจารณาลักษณะห้าอย่างที่อาตมาได้อธิบายมาแล้วที่ไหนที่สาธุชนทั้งหลายเข้าใจและเห็นชาติลักษณะนุม่ม สามารถพิจารณาที่นั่นได้ที่อาตมาให้อุปมานั้นก็แค่ตัวอย่างแค่นี้ที่ไหนก็ได้แล้วก็ต้องพิจารณาลักษณะที่ได้ทา ม, มาแล้วถึงลักษณะนู่นทั้งหกหกลักษณะแล้วก็ต้องพิจารณาต่อพิจารณาต่ออะไร ลักษณะเรียบเรียบถ้าเราถูเนื้อฝีเนื้อฝีปากริมฝีปากอาจารย์ริมฝีปากเลยริมฝีปากถ้าถูไปถูมาก็สามารถช่วยเข้าใจลักษณะเรียบได้เหมือนกันแล้วก็ต้องพิจารณาจนถึงสามารถ พิจารณาได้ชัดเจนแล้วต้องพิจารณาลักษณะพลากแข้งหยาบหนากข้ามจุนนุงและเรียบต่อไปแล้วก็ต้องพิจารณาต่อลักษณะเบาลักษณะเบาอย่ถ้าอยง กระดิกอันนี้กระดิ๊กนิวใช่ไหมในเวลาที่นิวถ้าเรายกอันนี้ขึ้นมาในเวลาที่สูงขึ้นมาในเวลากระดิ๊กนิวเราเข้าใจลักษณะเบาได้เดี๋ยวลองทำดูเบาไหมเบาใช่ไหมเดยในเวลาที่อันนี้ ลงไปหนกักในเวลาขึ้นมาอนี้บาอันนี้ตรงกลางค่ำลักษณะหนกักถ้าไปพิจารณาตรงกลางค่ำลักษณะหนักได้ก็สามารถปฏิบัติได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้อธิบายได้ถึงกี่ลักษณะแล้ว8ใช่ไหมใช่ไหม8 แล้วก็ต้องทําต่อลักษณะร้อนลักษณะเย็นในเวลาหายใจเข้าเราสามารถเข้าใจลักษณะเย็นได้แต่โชค ด, ดีในเวลาปฏิบัติในห้องเอก็สามารถเข้าใจลักษณะเย็นได้เหมือนกันแล้วในเวลาที่หายใจออกถ้าสังเกตดูก็เข้าใจลักษณะร้อนได้เหมือนกัน ท่านกันเราต้องพิจารณาลักษณะร้อนลักษณะยินจนถึงชัดิเยนศีสาเถึงเท่าเท่าถึงศีสาซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วต้องพิจารณาสิบลักษณะที่ได้ทำมาแล้วจนถึงชำนั้นอันสุดท้าย2ลายและเกาะกุง้งอนนียาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบัต ก่อนที่จะพิจารณาลักษณะสองลักษณะที่เป็นอันสุดท้ายเราต้องพิจารณาลักษณะสิ์อย่างที่ได้พิจารณามาแล้วจนถึงชำนันเละชาจริงแล้วต้องพิจารณาต่อลักษณะร้ายในปากมีน้ำไหลใช่ไหมทำไมมีอยู่ตลอดอันนี้หลายอยู่ จากในระหว่างจากระหวังฟันน้ำลายไหลยอยู่ตลอดถ้าไปพิจารณาสังเกต ด, ดูก็สามารถเข้าใจลักษณะไหลได้หรือถ้าไม่เข้าาเข้าใจก็สามารถสังเกตการไหลของเลือดในทั้งตัวเข้าใจไหมการไหลของเลือด ถูกเ ล, เลีบหรืถูกถ้าเข้าใจก็พิจารณาลักษณะหลายโดยอาศัยเลือดที่ไหลยอยู่ทั้งตัวแล้วต้องพิจารณาสิบอลักษณะซ้ำแล้วซ้ำอีกศีรษะเดินเท่าเท่าเทินศีรษดแล้วต้องพิจารณาลักษณะเกาะกุ้งเกาะกุ้ง เดี๋ยวทำแบบนี้ดู <laughs> ไม่ใช่จะชกนะเ <laughs> พื่อไม่เพื่อจะไม่ไปจะชกนะนชกอะไรชก <laughs> แล้วกว็ถือดึงกำลังนะอัะนนี้ก็ เข้าใจไหมเออนี้ลักษณะเกาะกุ้งลักษณะเกาะกุ้งถ้าเราพิจารณาลักษณะแข็งลักษณะพลาลักษณะหนกักซำลักษณะนี้สามารถช่วยทมให้ลักษณะเกาะกุ้งชัดขึ้นมาได้เหมือนกันเข้าใจไหมถ้ายงานั้นเ ครบสสองแล้วใช่ไหมถ้าอยากจะเป็นวิปัสสนาญานิกต้องพิจารณาลักษณะสิบสองลักษณะนี้อยากไหมอ๋อไม่อยากอยากหรือไม่ไม่อยากเป็นแล้วพอแล้วปฏิบัตินอนาบาลานต์ต่อไปจะดีกว่าใช่ไหม ถ้าอยากจะเป็นวิบัตสนาญาณิกตามคำสั่งสองของพระพุทธเจ้าเราต้องพิจารณาลักษณะสิบสองลักษณะนี้ให้ชัดเจนเทศถ้าเราพูดรวมๆผู้ที่ไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานถ้าไปปฏิบัติทาากรรมฐานยากยาก เดผู้ที่ได้จรินอนามานะถึงฉันที่สี่แล้วถ้าปฏิบัติทาตกรรมทานไม่มีความลำบากง่ายทีเดียวเพราะฉะนั้นเลยพระ ส, ามารสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมาดิผู้ที่ใจตั้งมั่งดีแล้วจะรู้จะเห็นธรรมที่เป็นความปจริงถ้ามีสมาดิเป็นพื้นฐาน ถ้าเราปฏิบัติดอกรรมฐานอันไหนก็ตามไม่ง่ายไม่ไม่ยากง่ายไปหมดแต่ว่าความความยากความง่วงความความง่ายหรือง่ายเลยยากไม่ได้อยู่ที่กรรมฐานอยู่ที่ บารมีของบุคคลอาตมามีประสบการณ์มีลูกสิคนหนึ่งที่เป็นชาวเกาหลีอาตมาก็สอนอนนาบานาสติเวลาสองเดือนผ่านไปมเมตจะกำหนดรู้สิบนาทีไม่ง่ายผ่านกี่เดือน ผ่านกี่เดือนไม่ได้เย็นปฏิบัติอนาปานาสติผ่านสองเดือนแม้แต่จะกำหนดรู้โลงสิบนาทีไม่ง่ายยากตอนนั้นอาตมาก็ตัดสินใจจะให้เปลี่ยนกรรมฐาน จะไม่ให้ปฏิบัติตออนาบานะสติแล้วเพราะว่าเขามีความลำบากก็สอนอะไรอาตมาสอนธาตุกรรมฐานผู้ปฏิบัติคนนั้นปฏิบัติได้ดีกับธาตุกรรมฐานสามฤตินในจิตวัน สามารถพิจารณาได้อย่างง่ายทีเดียวง่ายทีเดียวไม่มีความลำบากเพื่อผู้ปฏิบัติคนนั้นทำไมคนนี้ในอดีตได้ปฏิบัติธาตุกรรมฐานได้อย่างดีถ้าอย่างสามเรียนในอดีตมาแล้วเพราะฉะนั้นความง่ายความยากไม่ได้อยู่ที่กรรมฐานอยู่ที่ บารมีคนบุคคลเพราะฉะนั้นในวัดที่อาตมาอยู่ในสูงที่อาตมาสอนอยู่นั้นอาตมาสอนพรพพิสูจกรรมฐานใกล้กลทั้งหมดสีสิทธิำไมไม่มากไปหรือทำไมเพราะว่าในอนาคตพระสงฆ์ก็จะเป็นผูน้นำในการเผย พ, พระธรรมทิศนา จะเป็นผู้สอนกรรมฐานอีกใช่ไหมถ้าตัวเองเป็นบุคคลที่เข้าใจในการสอนแนวทางปฏิบัติชนิดใดชนิดหนึ่งไม่รู้จะสอนแนวทางอื่นๆ อ, อย่างไรถ้าอย่างนั้นบุคคลที่ไม่มีบารมีบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติ อน า, นาปานสติกรรมฐานเมื่อก่อนมาในอดีตชาติมาก็าจะไปสอนแค่อนาปานาสติอนาณานาปานาสติจะเป็นอะไรยากแต่บุคคลที่ได้ปฏิบัติธาตกรรมฐานมาในอดีตถ้าได้ไปสอนทาตุกรรมฐานก็สามร็จในเวลาสั้นๆพังทีอาจารมาสอนเกิีขาวแก่บุคคลที่ มีความลำบากในการปฏิบัติอนาบานาเสติบางคนก็สามรถถ้าอย่างนั้นครูสอนอาจารย์สอนต้องชำนาญในการสอนกรรมฐานทั้งหมดดีไหมแล้วก็คนเราไม่ชอบอยู่กับอารมณ์เดียวนานๆใช่ไหมเดี๋ยวให้ปฏิบัติอนาบานะถึงชั้นที่สี่แต่แ ต, แต่สมาดิสมาดิดีแต่ว่าไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าให้ปฏิบัติอนามบานสติต่ออารมณ์เดียวใช่ไหมบางทีก็ขี้เกียจหน่อย <c oughs> ก็ให้ให้ปฏิบัติกสิงอารมณ์เปลี่ยนไปใช่ไหมโอ้สมาธิดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนอานามบานะเดี๋ยวเปลี่ยนกสิงขาวกสิงเหลืองกสิงแดงกสิงดํา กสิณกสิณดินกสินน้ำกสินไฟกสินโลกแล้วก็กสิณที่เป็นอาโมณ์กับกสินแล้วก็อากาศะทั้งหดกสินสิทธ์แล้วก็ให้ปฏิบัติต่อมิจตากรุนาบุดิตาอุบกขาก็ทำให้ช่วยทำให้สมาธิดีขึ้น สมาธิลิกซิงมากขึ้น The stronger the concentration, the better the meditation จะเป็นยังไงถ้าสมาธิลิกซิงแค่ไหนการรู้การเห็นลิกซิ่งแค่นั้นถูกไหมให้งันให้มีโอกาสปฏิบัต กรรมฐานทั้งหมดสี่สิบดีหรือไม่ดีเพื่อตัวเองดีเพื่ออนาคตดีเพื่อผู้ปฏิบัติามาปฏิบัติาภายใต้ของครูบาอาจารย์แบบนี้ดีไหมยอยากจะปฏิบัติไหมถ้าจะปฏิถ้าอยากอาตมาจะสอน <c oughs> แต่สามวันไม่พอ <c oughs> แค่มาเน้นนำเน้นนำ ให้มาให้ให้มีโอกาสได้ฟังได้ปฏิบัติแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งสองของพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นถ้าพิจารณาธาตุสีที่มีลักษณะส2บสองลักษณะได้อย่างชัดเจนแล้วถ้าสามารถพิจารณาได้ชัดเจน ในแต่ละส่วนของตัวเองของร่างกายถ้าทำนาดีแล้วต้องพิจารณารวมๆ ล, ลักษณะผละในทั้งตัวโดยรวมถ้าพูดแบบนี้เข้าใจไหมเบื้อต้นต้องพิจารณาแต่ละส่วนร่างกายใช่ไหมชำนานแล้วไม่ต้องทาแต่ละส่วนแล้ว สมมติว่าอันนี้ร่างกายของตัวเองในช่วงแรกต้องพิจารณาในส่วนนี้ให้ชัดเจนแล้วก็พิจารณาต่อส่วนใกล้ชิดแล้วก็ถึงเท้าเท่าถึงสีสัดสีสัดถึงเท่าต้องไปไปต้องขึ้นขึ้ น, นลงลงใช่ไหมแบบนี้ถ้าชำนานดีแล้วก็ต้องพิจารณาลักษณะผลัโดยโลวง โดยรวมไม่ต้องทมแต่ละส่วนแล้วสามารถพิจารณารวมๆได้ทันทีเขา้าใจใช่ไหมลักษณะผลดัดโดยรวมลักษณะแข็งหยาบหนกักถ้าสามารถทําได้แบบนี้สามารถทําได้อย่างรวดเร็วถ้าสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สมาธิดีขึ้นตอนนั้นตัวจะหายไปแค่เหลือก้องท่าทั้งตัวกลายเป็นก้องท่าผู้ปฏิบัติส่วนมากรายงานว่าพระอาจารย์ตัวทั้งตัวกลายเป็นบลูมบลูม ภาษาไทยจะว่าอย่างนั้นลูกโป่ลุกโป ง, ก, โปงก็ไม่เห็นไม่เห็นขาไม่เห็นหัวไม่เห็นร่างกายไม่เห็นมือแล้วเห็นแค่ลูกโปง่งก้องท่าในเวลานั้นก็ต้องแนะนามให้ลูกศิกพิจารณาท่ายสีในกล่อง กองในก้องธาตุดอไปถ้าปฏิบัติบแบบนี้ต่อไปสมาธิดีขึ้นก็ทำให้แสงเกิดขึ้นมาแสงปรากฏขึ้นมาในช่วงแรกสีเทาๆแต่เวลาไม่ต้องไปสนใจสีที่ปรากฏขึ้นมาต้องพิจารณาลักษณะส2องลักษณะต่อไปแต่ตอนนั้นสามารถเปลี่ยนลำดับตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เดี๋ยวรรมาจะอธิบายให้ลักษณะลำดับตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข็งหยาบหนักนุ่มเรียบเบาไหลเกาะกุมร้อนเลเย็นแล้วก็พลักเลก คำจุงอันนี้เป็นลำดับตามคำสั่ ง, องของพระพุทธเจ้าตอนนั้นมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วถ้าเปลี่ยนพิจารณาแบบนี้สมาธิดีขึ้นสีเทาๆกลายเป็นสีขาวก็เห็นว่าทั้งตัวเป็นก้องแสงสีขาวๆตอนนั้นไม่เห็นตัวแล้ว พิจารณาธาตุสีด่อในก้องแสงก็กลายเป็นแสงที่จ้ามากทั้งตัวกลายเป็นก้องแสงที่จ้ามากอันนี้เป็นที่สาธุชนทั้งหลายต้องประสบในเวลาปฏิบัติธาตุกรรมฐานโดยพิจารณาธาตุสีถ้าสามารถพิจารณา ทัดศีในก้องเสนได้ถึงชุดโมงสาธุชนทั้งหลายเข้าอุปชาระสมาดิตอนนั้นเข้าใจไหมเข้าใจที่อาดมาได้อธิบายไหมเข้าใจถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้ว าทานกรรมฐานสามารถเข้าถึงอุปชาระสมาดิได้ในเวลาที่เราสามารถรักษาในการพิจารณาท่าศีในก้องแสนได้ถึงชุ่วโมงเข้าอุปชาระสมาดิถ้าพิจารณาต่อทำให้ทำให้ก้องแสนกลายเป็นรูปกลา ทำไม่แยกออกเป็นรูปกลาบรูปกลาบคืออ น, นุเ ล, ล็กเล็กเข้าใจไหม <S <S very tiny small particles รูปที่เกิดดาบอย่างรวดเร็วแบบอ น, นุเ ล, ล็กเล็กเห็นไหม ไม่เห็น <laughs> เดี๋ยวอาตมาจะให้อุปมาดูดูโทรทัศน์ไหมชอบใช่ไหมแต่ <laughs> ชาวไทยถ้าให้อุปมานี้เข้าใจหรืบเปล่าไม่ทราบเพราะว่าเมืองไทยก็เจริญขึ้นไปแล้ว แต่ถ้าธุรธุธาตุอันเก่าที่เราใช้มาหลายปีที่ผ่านมาก่อนที่จะโปรแกรมสตาร์กร่อนก่อนที่โปรแกรมเริ่มถ้าเราไปเปิดไฟล์เห็นอะไรที่ที่สกรีนมีจุดๆใช่ไหมอันล็กใช่ไหม เล็กหรือใเล็กแต่เล็กเมเดเล็กเราสามารถเห็นได้ด้วยตาเราใช่ไหมอันนี้รูปกลับอ น, นุเล็กเล็กที่โยมเห็นในเวลาที่พิจารณาทัดสีในกล้องแสงที่แยกออกไปเป็นรูปกลับตอนนั้นรูปกลับนี้เล็กหลายๆเท่ามากกว่าโยมจุดที่โยมเห็นใน ทระั n หนรีนทุระังไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่สามารถเห็นแต่แสงที่ปรากฏขึ้นมาแสงอะไรแสงแห่งปัญญาใช่ไหมแอ้นี้สามารถช่วยโยมเห็นรูปกลับอนุเลเล็กที่เกิดดาบอย่างรวดเร็วถ้ามองดูตัวเองก็ไม่เห็นตัวแล้ว เห็นแค่รูปกลับอนุเล็กเล็กที่เกิดดับอย่างรวดเร็วแต่รูปกลับคือรูปกลับยังไม่ใช่รูปปรามาแค่ยังเป็นบัญญัติบัญญัติเข้าใจไหม ย, ยังแค่ยังเป็นบัญญัติยังไม่เป็นรูปปรามาไหนแต่ละรูปกลับรูปกลับอนุเ ล, ล็กเล็กมีทัดดินทัดน้ําทัดไฟทัดโล สีกลิ่นรดโอชาจีวิตะแล้วก็ประสาดาน้อยที่สุดมีแปดหรือ ม, มากกว่านี้ก็มีเข้าใจไหมทัดเดินทัดน้ำทัดไฟทัดลมสีสีรดกลิ่นโอชาจีวิตะระปัสสาดารูปก็มากกว่านี้ก็มี ต้องพิจารณาให้เข้าใจรูปปรรมที่มีอยู่ในรูปกลับอนุเ ล, ลิกต้องพิจารณาในทั้งตัวต้องพิจารณาในประตูในเตลทวนประตูตาประตูหัวประตูจมูก ปัูลิงปัดดูกายแล้วก็ปัดดูจิตปัดดูใจ <laughs> ก็ทั้งหกทวนเราต้องพิจารณาจนถึงเข้าใจรูปประมะที่มีอยู่ในเตละรูปกลับอนุนิลิกในเวลานั้นพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนไว้ต้องพิจารณาไม่ใช่แค่ภายใน ต้องพิจารณาภายนอกด้วยเดี๋ยวนี้สมมติว่ามีบุคคลคนหนึ่งผู้ปฏิบัติคนหนึ่งที่สามารถเห็นอ น, น้ได้แล้วหลับตาแล้วก็เจริญสมาธิแล้วก็พิจารณาธาตุสีในตัวร่างกายแต่ตัวร่างกายก็กลายเป็นรูป ก, กลับอนุลเลละเล็กที่เกิดดาบอย่างรวดเร็วแล้วก็พิจารณาบุคคลที่ นั่งใกล้ชิดพิจารณาธาตุสีแก่บุคคลที่ธาตุสีในร่างกายของบุคคลที่นั่งอยู่ใกล้ชิดก็ไม่เห็นบุคคลนั้นเห็นแค่รูปกลับทุกคนกลายเป็นรูปกลับไม่เห็นผู้ชายไม่เห็นผู้หญิงตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรสงสอนไว้ ไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีสัตว์ไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาไม่มีเทวราไม่มีโพรมีแต่รูปกราบอนุเลนเล็กที่เกิดดับอย่างรวดโลเกิดดับอย่างรวดเร็วในโลกตอนนั้นเห็นด้วยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อ์นั้นยังยัง ARGUE ARGUE จะว่าองนัโตแยง a ้ g คโตโตโตแยงโตแยงก่อนที่เห็นอันนี้ยังมีบุคคลชาวพูดทั้งหลายที่ ยังโตุยังต eh, ุยังตุยังเอ่อตุยังกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไหมเอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่มีผู้ชายผู้หญิงที่นี่ที่นี่มีผู้ชายที่นี่ก็มีผู้หญิงทําไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแบบนี้ มีผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่หรือมีคำโต้แย้งในใจโตแยงโตแย ง, ยงเศรเอเยองอไม่ถูกอ๋อโต้โตแย้งโต้แย้งแย้งไม่ถูกอ๋อไม่ถูกไม่ใช่ไม่ใช่โต้แย้งถูกแล้ว ไม่มีคำตามมีคำโต้แย่งในใจบางทีก็ไม่กล้าพูดแต่มีควาโต้แย่งในจิตใช่ไหมโอ้มีผู้ชายผู้อย่างธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกแบบนี้ทรงสอนแบบนี้เออเชื่อเชื่อไว้จะดีกว่าเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทัพยผินอยู่ใช่ไหมก็เลย เชื่อใจไว้จะดีกว่าแต่ยังมีคำสงสัยยังยังมีข้อสงสัยในใจใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าเราเห็นรูปกลาบอนุเลนเล็กที่เกิดดับอย่างรวดเร็วไปพิจารณาคนไหนสัตว์ไหนสิ่งไหนก็ตามทั้งหมดกลายเป็นรูปกลาบอนุเลนเล็กที่เกิดดับอย่างรวดเร็วไม่เห็นผู้ชายไม่เห็นผู้หญิงไม่มีไม่เห็นผู้ ภูเขาไม่มีต้นไม้ไม่เห็นต้นไม้ไม่ไม่เห็นรดไม่เห็นตึกไม่เห็นโพรงคไม่เห็นเทวดาเห็นแค่รูปกลับอนุเลล็กที่เกิดดับอย่างรวดเร็วตอนนั้นเราหยุดโต้แย้งกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเชื่อใจพระสัมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยยานที่เกิดขึ้นโดยตรงเข้าใจไหมถ้ายัางไม่เข้าใจถ้ายัางไม่เห็นแบบนี้เราไม่สามารถแก้ปัญหาของเราเรายังมีสงสัยยังมีความสงสัยเหมือนกันถูกไหมถ้าอย่างนั้นไม่อยากเห็นเลย อ, อยากไม่อยาก ผู้ที่อยากจะรูพ้นจากสัมสารวาทต้องพิจารณาให้เห็นถ้าไม่เห็นรูพ้นจากสัมสารวาดไม่ได้ไม่สามารถคาดหวังได้อันนี้เกิดดับอย่างรวดเร็วถ้าถ้าแก้วแก้วตกไปก็แตกใช่ไหมก็คนเราบอกอะไรอันนี้จานใช่ไหม อันนี้ช้ามากทีเดียวช้ามากอ๋อก่อนนั้นก็ดีตกไปก็แตกอันนารจัแเ่ถ้าเห็นรูปกลับอันดูเล็กเลกที่เกิดดาบอย่างรวดเร็วอั น, นไม่ใช่อันนจาจั์แบบนี้เกิดดาบเกิดดาบเกิดดาบน่ากลัวทีเดียวานที่สุดอยากจะลู้พ้นจากความเกิดเกิดดาบแบบนี้พระนิพพานคือที่ไม่มีความเกิดดาบ ถ้าเห็นความเกิดดับที่เรียว่ถ้าเห็นรูปประมที่เกิดดับอย่างรวดเร็วแบบนี้ความปรารถนาความอยากเกิดขึ้นในจิตอยากจะลูโพ้นถ้ามีที่มีความเกิดดับจะมีที่ไม่มีความเกิดดับความเข้าใจอันนี้เกิดขึ้นในใจถ้ายังไม่เห็นพิจารณาได้อย่างไร จินตนาเอาเองก็ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากสัมสารวาดได้ดูกลัวจะแตก <c oughs> ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากสัมสารวาสถ้าอยากจะเข้าสู่พระนิพพานถ้าไม่ไปไม่อยากไปเกิดในอภยัยภูมิ เราต้องพิจารณาให้เข้าใจรูปประมาทเหล่านี้โดยปฏิบัติธาตุกรรมทานอันนี้ทางเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่มีทางอื่นๆแล้วอย่าบอกว่ามีหลายๆทางที่สามารถเข้าถึงพระนิพพานไม่มีแค่ทางเดียวรูปประมาทรูปกรรมฐานและนามกรรมฐาน เข้าใจดีใช่ไหมตอนนั้นอาจารย์สอนก็แนะ น, นำลูกศิษย์เพื่อจะพิจารณารูปประมาะที่มีอยู่ในเ่ละรูปกราบอนุเ ล, ล็กๆภายในภายนอกที่ใกล้เห็นที่ไกลในที่สุดทั่วโลกเพราะว่ามีแสงเห็นปัญญาใช่ไหมแสงเห็นปัญญาสามารถช่วย โยงทั้งหลายเข้าใจที่ไกลเละที่ไกลแม้แต่สิ่งที่เกิดดับในโลกในโลกพโพมในโลกเทวดาก็สามารถพิจารณาด้วยแสงแห่งปัญญาได้ดีไหมดีไหมดี <c oughs> ถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยากจะปฏิบัติ แบบวิปัสสนาญาณิกตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องปฏิบัติอะไรต้องปฏิบัติธาตุสีไม่ใช่ธาตุาหนึ่งธาตุาตหนึ่งไม่ไปเข้าสู่พระนิพพานไม่สามารถเข้าใจธรรมที่เป็นความจริงสามารถรับรู้แค่ผิวผินเพราะฉะนั้นถ้าเราพอใจ เค่ okay. ถ้าเรามีความพีงพอใจกับในการรับรู้ผิวเพิงปฏิบัติกรรมฐานอะไรต่อไปก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงเรากับปฏิบัติกรรมฐานที่สอนการอยู่ในปัจจุบันไม่ได้เราต้องปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเข้าใจที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เดี๋ยวนี้เข้าใจดีขึ้นไหมอยากจะเป็นวิปัสสนาญาณิกไหมอยากก็ได้ไม่อยากก็ได้ถ้าไม่อยากก็จะจะสอนกรรมฐานที่สามารถเข้าสู่ฌานได้แล้วก็ปฏิบัติต่อรูปนามกรรมฐานง่ายทีเดียวง่ายทีเดียวไม่มีความลำบาก เพราะฉะนั้นมีอุปมาเดี๋ยวอัตะมาขอถามคำําคำาหนึ่งสมมุติว่าโยมอยกจะอยากจะข้ามทะเลทส่อยกจะข้ามทะเลหรืออยากจะน้ำอยากจะข้ามเมดน้ำที่กว้างมีสองวิธีที่สามารถข้ามได้ข้ามโดยว้น้ำ โดยเรือโยมชอบอันไหนไม่มีใครที่อยากจะข้าโดยไวใช่ไหมวิปัสสนาญาณ น, นี้คือบุคคลที่พยายามข้าทะเลสัมสาระโดยไว โดยว่ายน้ำบุคคลที่ข้ามทะเลแห่งสัมสาระทะเลสัมสาระทะเลสัมสาระโดยเรือเป็นบุคคลที่ปฏิบัติแบสสมรทญาณิวันนี้ความเข้าใจเปลี่ยนไปใช่ไหม เมื่อก่อนคิดว่าวิปัสสนาวิปัสสนาญาณิกเป็นทางง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ใชข้ามโดยไว้น้ำข้ามโดยเรืออัไหนจะเลือกเรือถ้าอย่างนั้นอยากจะเป็นสมถะญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกทำไมเปลี่ยนไป เออบุคคลนี้เชื่อใจไม่ได้จิตเปลี่ยนอย่างง่ายแต่ที่นี่ควรเปลี่ยนให้เปลี่ยนรวดเร็วที่สุดก็ดีเทว่าที่อาตมาบอกความอยากความยากความง่ายไม่ได้อยู่ที่บุคคลไม่ได้อยู่ที่กรรมฐานอยู่ที่บารมี ควรลองปฏิบัติอนาบานาสติหรือกสิงขาวเกสิงดำควรลองทำดูโดยใช้เวลาพอสมควรแค่สามวันไม่ได้แค่เดือนไม่ได้สองเดือนไม่ได้มีลูกศิษย์บางคนสีปีปฏิบัติอนาบานาสามารถเข้าถึงฌานได้อดัมมา นับถืออย่างมากบุคคลแบบนี้ลงมือปฏิบัติไม่ท้อแท้ไม่ถอยหลังปฏิบัติสม่มเสมอติดตอดต่อเดอดอนื่อนถึงสี่ปีก็เข้าฌานเดี๋ยวนี้กำลังปฏิบัติวิปัสสนาอยู่แล้วดีไหมอัตมา เราให้ยยมทั้งหลายฟังเพราะว่าเราไม่ควรตัดสินใจอย่างง่ายๆ่ายเอกตัวเองไม่มีบารมีปฏิบัติไม่ง่ายแต่ใช้เวลายังไม่พอสมควรเพราะฉะนั้นเราควรใช้เวลาพอสมควรจนถี่สามารถรู้และเห็นทรรมที่เป็นความจริงเข้าใจไหมกี่โมงแล้ว สิบโมงครึ่ง้างนั้นอาตมาจะอธิบายต่ออธิบายจะแสดงต่อในคืนนี้แต่เดี๋ยวนี้อาตมาให้มีโอกาสถามถ้ามีข้อสงสัยสิ่งที่อาตมาได้อธิบายไปแล้ว ใ ห, ให้โยกคียยกมือนะคะค่ะให้มีคำถามยกมือเลยค่ะเดี๋ยวจะส่งไมค์ไปค่ะยกมือเลยค่ะมีไหมคะมีไหมคะนี่ค่ะ กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะ เ, เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการ อ, อ, อานาปานาสติจนถึงขั้นที่4ี่เนี่ยไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงค่ะชั้นที่สีใช่ค่ะไม่ทราบว่าเป็นยังไงชั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่ให้อาจารย์ 1. 1> อธิบายอ ในเวลาที่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติอนามบานาสติกรรมะทันต้องฝึกจิตของเราจิตของตัวเองเพื่อจะสามารถรกําหนดรู้โลงได้อย่างติดต่อต่อเนื่องถ้าไม่สามารถกํำหนดรู้ติดต่อต่อเนื่องนานๆสมาธิจะไม่เกิดเด ทุกคนได้ประสบความลำบากในการกำโดรู้ลงในช่วงแรกแม้แต่หนึ่งนาทีติดตอดตอนนั้นก็ยังยากบุคคลที่ได้สามฤทิในการปฏิบัติอนาบานาสติก็มีความลำบากในช่วงแรกเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาเป็นพูดพิสิทไม่ใช่แบบนี้ ทุกคนมีความลำบากการปฏิบัติคือการฝึกจิตของเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่อันง่ายแต่ไม่ใช่ว่าเปลนไปไม่ได้เป็นไปได้ถ้าเรามีศรัทธาถ้าเรามีความตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรถ้าสามารถกาหนดได้ห้านาทีต้องเพิ่มห้านาทีขึ้นไปสิบนาที สิหานาทียีสบนาทีสานาทีอย่างนี้ต้องขึ้นไปถึงชั่วโมงถ้าถึงชั่วโมงก็สามารถพิจรารณาสามารถกำเนิดรู้ลมยาวลมสัน้นแล้วก็ต้นลมกลางลมปลายลมแล้วก็ลมที่ละเอียดอย่างนี้ต้องฝึกต่อไป จนถึงแต่สมาธิดีขึ้นถ้าสมาธิดีขึ้นแสงจะปรากฏขึ้นมาในช่วงแรกแสงที่ป ร, กรนากฏนั้นปรากฏข้างหน้าที่ใกล้หน่อยไม่ใกล้ชิดจมูกใกล้หน่อยอันนี้ส่วนมากแสงที่ป ร, กรนากฏนั้นปรากฏแบบนี้ ในช่วงเวลานั้นไม่ต้องไปสนใจแสงที่ปรากฏต้องกำหนดรู้แค่ลงต่อไปถ้าสามารถกำเนิดรู้ลงได้อย่างติดต่อตอนนั้นนแสงที่ปรากฏข้างหน้าเด็ดในช่วงแรกแสงที่ปรากฏนั้นปรากฏเดี๋ยวก็ปรากฏเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ปรากฏเดี๋ยวก็หายอย่าม่มั่งโคลตอนนั้นต้องกำหนดรู้ลงต่อไปถ้าสามารถกำเนดรู้ลงได้นานขึ้นมากขึ้น แสงที่ปรากฏแป๊บเดียวจะปรากฏน้นๆในที่สุดจะไม่หายแล้วตอนนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจแสงต้องกาเนดรู้ลงต่อไปในที่สุดแสงที่ปรากฏที่ไกลก็ใกล้มาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆจมูกตอนนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจแสงต้องกำหนดรู้ลงต่อไปในที่สุดแสง จะมารวมกับลวมเข้ารวมออกเป็นอันเดิวถ้าลวมกันเป็นอันเดิยวในเวลาที่แสงเละลวมลวมกันลวมกันเป็นอันเดิวในช่วงแรกยังไม่มั่นคงดีตอนนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจแสงต้องกำเนดรู้รวมต่อไปถ้ารวมกันเป็นอันเดิวนั้นถึงส0มสิบนาทีแสงมั่นคงดีตอนนั้น ต้องกำเนดรู้แสงแทนลมถ้าสามารถกําเนดรู้แสงได้อย่างติดต่อตอนนั้นนานๆถึงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งก็สามารถเข้าฌานได้ตอนนั้นทั้งตัวกลายเป็นแสงไม่เห็นตัวร่างกายเบาสบาย เหมือนลอยอยู่บนฟ้าเพราะฉะนั้นเลยผู้ที่เข้าชันโดยไม่ขยับตัวสามารถนั่งได้ส่งชั่วโมงสามชั่วโมงด้วยความสุขสบายทำไมตัวเบามากดีไหมเข้าใจไหมยยเข้าใจ กับเรียนถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อเมืม่อวานนี้ได้ได้เรียนถามท่านอาจารย์ถึงเรื่องว่าเวลาที่ดูลมหายใจเจ้าค่ะแล้วก็เกิดอาการเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเพราะวาวันนี้ตอนที่ไม่รู้สึกตัวเหมือนกําลังกึ่งหลับเนี่ยในขณะเดียวกันจิตก็มีความรู้สึกว่าเหมือนไฟดับเหมือนมันมืด แล้วพอเรากลับมาดูที่ลมหายใจมันมีความสว่างเหมือนไฟเปิดอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วก็มันรู้สึกปิติว่าเราเห็นความแตกต่างมันไม่ได้อยู่ระหว่างครึ่งหลับครึ่งตื่นจิตมันตื่นขึ้นมาปัญหาก็คือว่าเวลาที่เรายินดีกับความรู้สึกที่มันสว่างเราไม่รู้ว่าความสว่างนั้นใช่ความสว่างจริ ง, รงๆที่เราเราเราเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นห้องเปิดไฟทั้งทั้ที่หลับตายอย่างนั้นเจ้าค่ะ กลับเรียนถามว่าเราจะต้องทำยังไงต่อจ้ะวันนี้สภาพเปลี่ยนไปจริงจริงโยงมเมื่อวาคึ่งครึ่งหลับครึ่งตื่นวันนี้เห็นไฟลเหมือนเปลิดไฟนะไหมดีอันนี้เพราะว่าโยมสามารถกาหนดได้ดีแสงประกฏขึ้นมาไม่ต้องไปสงสยัยไม่ต้องไปสนใจด้วยไม่ต้องไปใส่ใจแค่กาเนดรู้ลมต่อไป ถ้าสามารถหนูรู้ลมได้อย่างติดโตตอนแน้นมากขึ้นแสงที่ปรากฏแป๊บเดียวหายแปบ๊บเดียวหายอันนี้จะไม่หายจะปรากฏติดโตตอนแน้นแต่ถ้าไปสนใจแสงที่ปรากฏนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกัรกำหนูรู้ลมถ้าเราไปสนใจแสงลืมที่จะกำหนูรู้ลมเราทำลายเหตุเพราะฉะนั้นผลก็จะหายไปผลที่เกิดขึ้นยังไม่มั่งคงดีเพราะฉะนั้นเราต้อง เน้นกำหนดรู้แลงต่อไปมีไหมค ะ, คะกลับนมัตการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะขอกลับเรียนถามท่านพระอาจารย์ต่อจากคําถามที่พระอาจารย์ตอบไปนะเจ้าค่ะว่าที่เห็นแสงต่างๆแล้วแล้วก็มาลงที่ได้เข้าฌานแล้ว แต่กี้ที่น้องถามว่าแล้วชาญหนึ่งชานสองชาญาชาญส เ, เป็นอย่างไรเจ้าคะแล้วเราเราจะทราบได้อย่างไรว่านี่คือชาญหนึ่งชานสองชาน3ชาญี่เียเจ้าคะเพื่อจะเข้าใจชานเมื่ต่เราได้เข้าชาญอยู่แล้วหรื อ, อยังนั้นอาจจะไม่สามารถเข้าใจด้วยตัวเอง บางทีสมาธิลึกซึ้งเข้าชันอยู่แล้วในชันอยู่แล้วเราอาจจะไม่สามารถตัดสินใจได้เหมือนกันเราจำเป็นที่ต้องปฏิบัติภายใต้ครูบาอาจารย์ที่สามารถแนะนำได้เดี๋ยวนี้ต้องปฏิบัติต่อจนถึงเห็นแสงถ้าเห็นแสงก็ไปหาครูบาอาจารย์ท่านที่ดีไหม เมรอย่างนั้นจะอธิบายไม่เข้าใจอยู่เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่จินตนาจินตนาการเองไม่ได้จินตนาเอาเองไม่ได้จินตนาการจินตนาการไม่ได้โยทอที่นุ่มค่ะ เรียนถามพระอาจารย์นะคะต่อจากคำถามเมื่อกี้นี้ทางนี้ที่บอกว่าเห็นแสงแล้วอันนี้มันเห็นโยมใกล้ๆหน่อยค่ะคือโยมเห็นแสงแล้วนะคะแล้วก็ก็ได้ยินเสียงทุกอย่างแต่จิตมันไม่มีปรุงแต่งไม่มีความคิดเลยแล้วแล้วก็รู้สภาวะก็มาดูลงอย่างที่พระอาจารย์เคยสอนนะคะแต่ว่ามันเบามากมละเอียดมากก็ก็ก็ดูไปเรื่อยๆก็ได้แค่นี้นะคะ่ะแต่ว่า อันนี้คือไม่ทราบว่ามันเป็นอุปจารสมาธิหรือยังนะคะหรือเป็นแค่คดิกะอันที่หนึ่งะคะคำถามที่สองคือว่าเคยได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านที่มรณภาพไปแล้วนะคะก็บอกว่าในสมัยพุทธกาลคนเนี่ยเป็นแสนแสนคนที่มาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยมาฟังธรรมแล้วแค่ฟังธรรมเนี่ยบรรลุธรรม เพราะว่ามาจากสมาธิฐิก่อนก็คือยังไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยรู้เกี่ยวกับอนาปานาสติเลยแต่ว่าแค่ฟังธรรมเนี่ยบรรลุธรรมจํานวนมากเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเพราะอะไระคะขอบคุณขอบพระคุณท่านอยวนี้าาอาตมาอยากจะทราบว่าเซงที่ปรกนากฏนั้นปรากฏนานไหมโยก็นั่งสภาธิไปสักสมมุติว่าเมื่อกี้พระอาจารย์ท่านนําสมาธิหายืนแล้วก็นั่งอะไรอยงี้ค สักพักหนึ่งนะคะประมาณสักยี่สิบคือวันแรกๆมันจะปรุงแต่งเยอะเพราะว่ามันจิตมันฟุง้งนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็สว่างแล้วก็มันสว่างแต่ว่าส่วนใหญ่มันสั้นนะคะมาสมาธิมันนั่งแป๊บเดียวถ้านั่งเป็นชั่วโมงก็นั่งต่อได้แล้วก็มันน่าจะสว่างขึ้นอีกนะคะวันนี้ทุกคนต้องปฏิบัติติดโดดต่อเนื่องใช่อยากนนให้นั่งนานขึ้นเพราะว่า พอจงังหวะมันจะเข้าที่แล้วกําลังจะต่อเนื่องได้เนี่ยก็จะหมดเวลาพอดีเช่40น40นาทีเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านถ้านั่งได้นานกว่านี้คือสภาวะแบบนี้เนี่ยนั่งได้เกินชั่วโมงอะค่ะนั่งได้ต่อเนื่องเลยโดยไม่พักอะค่ะเดี๋ยวนี้อาตมาถามว่าแสงประกุจจิตโตต่อเนื่องไหมมันสั้นเพราะว่าพอสมมุติว่ามันเวลาไม่พอใช่ไหมใช่เวลาไม่พ อ, อ, อแต่ว่ามันแสงมันขึ้นละแต่ว่ามันจะ หมดเวลาซะก่อนแล้วก็อยากจะนั่งต่อแต่ว่าหมดเวลาละยังไม่ยังไม่เข้าถึงอุปชาระสมาดิโยมสมาดิดีขึ้นแสงปรากฏขึ้นมาที่โยมก็เข้าใจเดี๋ยวนี้โยมต้องนั่งนานๆนั่งให้นานๆจนถึงสมาดิดีขึ้นกว่านี้แสงจะปรากฏนานขึ้นในที่สุดโยมต้องกําหนุดลมเข้าลมออกต่อไปจนถึง แสงที่ปรากฏมารวมกับลวมเข้าลมออกเป็นอันเดียวถ้าลวมการเป็นอันเดียวไม่ถึงสามสิบนาทีควรกำหนิดรู้ลมแค่แค่ลมต่อไปถ้าลวมการเป็นอันเดียวนานถึงสสิบนาทีโยมสามารถกำหนดแสงได้แสงแทนลมถ้าสามารถอยู่กับแสงได้อย่างติดต่อตอนนั้นนา น, น, น สมาดิจะดีขึ้นแสงก็จะจ้ามากขึ้นเดี๋ยวท่าต่อไปก็สามารถเข้าฌานได้แต่ในการเข้าฌานก็ต้องปฏิบัติภายใต้ครูบาอาจารย์เข้าใจไหมเข้าใจค่ะแล้วแล้วถ้าฌานเนี่ยเราจะยังได้ยินเสียงหรือสัมผัสจากโลกภายนอกหมเพราะว่าอันนี้อันนี้สมาดียังไม่เล็กสิ่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้ถ้าถึงอัปนาฌานแล้วจะไม่ได้ยินอะไรเลยใช่คะเข้าฌานอยู่ก็ไม่ได้ยิน เด็ในเวลาผู้ปฏิบัติเข้าฌันเดี๋ยวบอกว่าได้เย็นเสียงตอนนั้นออกจากฌานเดี๋ยวก็เข้าอีกไม่ได้เย็นเดี๋ยวก็ออกจากฌานไม่เป็นติดต่อตอนนั้นแล้วพอเข้าถึงอั ป, ปนาฌานแล้วต้องถอยหลังมาที่ปจาระก่อนไหมคะถึงจะเข้าวิปัสนาเพื่อให้เห็นลูปปรามะคะในเวลาที่เห็นรูปกลับในเวลาที่พิจารณารูปปรามะที่มีอยู่ในแต่ละรูปกลับสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นก็เปลี่ยน ขณิกาสมาดิไม่ใช่อุปชาราสมาดิไม่ใช่อัปนาสมาดิต่คำถามที่สองในพุทธการมีจำนวนมากทีเดียวที่สามารถรู้และเห็นและบานลุกมัคคิยานและผลละยอย่างโดยฟังธรรมใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้แต่ในปัจจุบนันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วบุคคนที่สามารถบันลุกถึงพระนิพพานโดยฟังแค่ คำปฏิบัยสันส้นๆเหมือนเหมือนพระมหาโมกคลันและพระสารีบุตรก่อนที่จะบวชพระพิสุก่อนที่อยู่ชีวิตพระพิสุได้ยินได้ฟังเยดา ม, มาเฮตต บ, บ, บาะบาติสันเฮตตตัต ท, ท, กทากโดอาหาก่อนอาหาก็บังลุ มากะยานเลพหุลยานเดี๋ยวนี้มีใครบ้างไหมมีใครบ้างไหมที่ได้บานลึกมากะยานเลพหุลยานไม่มีใช่ไหมเมธเดไม่มีความเข้าใจในคําพระบาลีใช่ไหมก็เลยความบารมีของเราแตกต่างกันมีบุคคลสีชนิดบุคคลแรกที่สามารถ สามาบันลุมคายันแลพุ่ลไยันในเวลาได้ยินคำปฏิบัยสันสันแบบมาโมกลานและมหาสารีปเพราะว่าท่านสองลูกได้บันเพนบารมีวันอินเกกุเลบุสันฮ0 0 0 0เรัอิยงจะว่ายังไง หนึ่งวันอนคาคิลิเวอรสและ0นึ่งแสนยองหนึ่งอสูรกายเดียวยุงบอให้เข้าใจเดียวไม่ไม่ใช่ถามยุงขอขอ เนงอสงไขยแสงกลับเข้าใจไหมเน่งอสงไขยแสงกลับเป็นที่ท่านท่านที่จะกลายเป็นท่านมหากัสสปะและท่านมามกลานได้บันเพนมาเน่งอสงไขยแสงกลับ ในอดีตมาแล้วแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ถิงสังคารุปคายานในหลายๆชาติมาแล้วเหมือนคนเราโยมทั้งหลายเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมมีคนมากจำนวนมากที่เข้าใจสมมติว่าได้ชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์มาแล้วถ้า ถ้าแต่กีบุกโดยไม่ดูก็สามารถพิมพ์ได้ใช่ไหมสามารถทำได้แบบนี้มาแล้วทานาทีเดียวไม่ได้ใช้สิบปีดียมาให้คอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้เหมือนกันใช่ไหมในทำดองเดียวกันเราไปเปรียบเทียบไม่ได้เราไม่ได้ทำแบบนี้มาเราไม่รู้ยังไม่เห็น ยังไม่รู้ยังไม่เห็นรูปนามปรามาตยเหตุและปะจัจจัยเหตุและผลแล้วก็ยังไม่ได้เคยปฏิบัติเข้าถึงอุสังขารุปรคาัยยานที่ใกล้ชิดมคาคยยานและผลละยานสาวิบุตรพระสาริบุตรที่จะเป็นพระสาริบุตรที่จะเป็นพระมามกลาน ไม่สามารถไปมากกว่าสังขารหปัจคาหยันเพราะว่ามีการอดิฐานไว้ต้องรอจนถึงครบหนิงอสงค์อสงไขยและแสงกลับถ้ายังไม่ถึงก็เข้ามาเกียร์พนไล่หยันยยไม่ได้แต่ในเวลาที่พระสมัะสมมาสัมพุทธเจ้าจเสด็จในโลกเวลาที่ได้บรรพินมาครบแล้ว ถึงเวลาแล้วบุคคลแบบนี้เป็นบุคคลชนิดอันแรกชนิดที่หนึ่งที่สามารถเข้ามาขายันและผงละยันในเวลาได้ฟังคมปฏิบัยโดยย่อเดที่เป็น venerable คอน a n ญ a ะท่านท่านคอนดัญญะท่านก็คอนดัญญะคอนดัญญะ พระสูตรพระสุตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนั้นคืออะไรธรรมจักกะปุวัตนสุตรใช่ไหมในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิบายพระสุตนี้มีมนุษย์คนเดียวที่บังลุสดาบัติมกักสดาบัติยานคือบุคคลที่จะกลายเป็นพระกอรัญญาท่านกอร น, นีญย ในเวลานั้นเทวดาและพรออะอติโกติแปดสิบดสิบขดแปได้บางลุกมากายานและผลลายานนี้เป็นพระสูตรที่อธิบายโดยละเอียดอันนี้เป็นบุคคลที่สอง ที่สามารถบางลุได้ยิยนได้เมื่อเวลาได้ยิยนได้ฟังคำปฏิปายโดยละเอียดสามารถบารลุมกากกยานเล็กผมละยานแต่ในปัจจุบันนี้บุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองไม่มีไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามลำดับ ส, ส่อสมาริปัญญาตามลำดับข้าไปไม่ได้ การพิธีการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอสงไขยแสงกับโยมขออธิบายรายละเอียดหน่อยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์1อสงไขยคือเลข1ตามด้วยศูนย์รนจำนวนใบแตกดับของโลกเท่ากับ1อสงไขย แต่ถ้ากรณีอย่างพระพุทธเจ้าเราสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับสอสงไขยอันนั้นยาวกว่านั้นเพราะว่าเป็นอสงไขยที่เรียกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าในระหว่างอสงไขยเพราะฉะนั้นจะเป็นเลข1ตามด้วย140ิมากกว่านั้นแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วหนึ่งอสงไขยก็คือเลขหนึ่งตามด้วยศูนย์ร้บศนนวนใบแตกดับของโลกแล้วก็ เป็นพระ อ, อักราษราวอกก้อหนึ่ ง, สงแสนกับก็คือหนึ่งแสนกับก็คือโรคแสนใบนั่นเองค่ะไม่ทราบว่าพอเขาา้าใจไหมคะซึ่งจะยาวนานมาก